วันนี้ก็ได้สาธิตให้ดูระว่างเสียงที่เออกระเทืกขึก้โคมกับการไม่มีเสียงเอกระทกขโคมว่ามีผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างไรการเวลามีเสียงเอกะทกโคมนีจะทำอะไรจะนั่งสมาธิ จะฟังเทศฟังธรรมนี้จะเป็นอุปสรรคจะรบกวนจะทำให้เป็นไปได้ยากฟังเทศก็จะฟังไม่รู้เรื่องนั่งภาวนาใจก็จะไม่สงบเพราะมีเสียงคอยมากระทุง้งที่หูแล้วก็เข้าไปกระเทือนที่ใจอยู่ตลอดเวลา พอไม่มีเสียงนังทุกอย่างก็เงียบสงบใจก็สามารถสงบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปบังคับพรอไม่มีอะไรมาเขยา่ามาทำใจให้กระเพิ่มถ้าฟังเทศฟังธรรม ก็จะฟังได้อัธรสฟังได้เหตุได้ผลเพราะได้ยินอย่างชัดเจนไม่ต้องคอยเงื้อหูฟังว่ากำลังฟังอะไรอยู่นี่คือเรื่องของปัจจัยที่เอือ้อหรือปัจจัยที่ถ่วงการบำเพ็ญ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศฟังธรรมหรือการปฏิบัติสถานที่นั้นจําเป็นจะต้องเป็นที่สงบสงดวิเวกปราศจากเครื่องรบกวนต่างๆที่จะเข้ามาผ่านทางทวารทั้งห้คือทางตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาที่จะบําเพ็ญจึงจําเป็นที่จะต้องหาสถานที่สงบสงัดวิเวกเพราะจะได้เอื้อต่อการบําเพ็ญทําให้การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและการบําเพ็ญการทําใจให้สงบทําให้ทําใจให้รู้แจ้งเห็นจริง ก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายสถานที่จึงต้องเป็นสถานที่สบายะสบายยะก็คือสบายสบายต่อใจและสบายต่อร่างกายคือเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ปราศจาก สิ่งรบกวนต่างๆ ต, ตามวัดตามวาเช่นวัดป่าบ้านตานนี้สมัยก่อนหลวงตาท่านจะคอยควบคุมเรื่องเสียงต่างๆโดยเฉพาะเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆท่านจะไม่ส่งเสริมให้มีการก่อสร้าง ถาวรวัตถุต่างๆเพราะจะมาทำลายความสงบของสถานที่มาทำลายความเงียบของสถานที่อาคารแต่ละอาคารสร้างก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรยิ่งเป็นอาคารใหญ่ๆอย่างพระอุโบสถพระใจดีท่านจะไม่ให้สร้างเลย เคยท่านเคยเล่าว่าในหลวงเคยขอถวายสร้างพระอุโบสถที่วัดป่าบ้านตาหลวงตาท่านก็ปฏิเสธไปเพราะท่านบอกว่าถ้าสร้างแล้วพวกคนที่เข้ามาก่อสร้างเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้จักการปฏิบัติรู้จักการรักสถานที่ ให้สงบสงัดวิเวกเขาก็ไม่มีศีลแปดเขาไม่รู้จักการรักษาศีลแปดหรือศีลห้าเผอๆก็เอาสุรายาเมาเข้ามาดื่มในวัดเผอๆก็มาร่วมหลับนอนกันในวัดมาออกลูกออกเต้ากันในวัดแทนที่จะมาตัดภพตัดชาติ กลับมาส่งเสริมการต่อพบต่อชาติให้ยืนยาวนานออกไปการก่อสร้างสาวนและวัตถุต่างๆจึงเป็นภัยต่อวัดที่มีการบำเพ็ญปฏิบัติถ้าจำเป็นจะต้องสร้างก็สร้างให้มันเล็กที่สุดและให้มันเร็วที่สุด องที่จาเป็นจะต้องสร้างก็มีที่พักอาศัยแล้วก็ศาลาที่ใช้ในการทำภารกิจที่จำเป็นเช่นการขบฉันการแสดงธรรมนอกนั้นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างนี่เป็นเป็นที่ของปฏิบัติ แต่ถ้าเป็นที่สำหรับ เ, เชิดชูพระพุทธศาสนาอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดพระแก้วมรกฏอย่างนี้เป็นการสร้างเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็สร้างได้แต่ก็ต้องไปสร้างในที่ที่ไม่มีการบําเพ็ญไม่มีการปฏิบัติ จะได้ไม่มาทำลายกันนั่นเองวัดป่าวัดปฏิบัตินี้จึงมักจะไม่มีถาวรและวัตถุต่างๆที่พักที่อยู่อาศัยก็เรียบได้พอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้วเพราะถ้ามีการก่อสร้างมันก็จะมีการสร้างไปเรื่อยๆมีคนอยากจะร่วมบุญ ร่วมสร้างกันสร้างโบสถ์เสร็จก็สร้างเจดีต่อสร้างเจดีต่อก็สร้างวิหารสร้างวิหารก็สร้างมณฑปมีเรื่องให้สร้างไปเรื่อยพอสร้างไปแล้วก็ต้องกลับมาบูรณะซ่อมแซมอีกสร้างไปได้สิบปียี่สิบปีมันก็เก่าดูไม่ได้ต้องมา บุรณะซ่อมแซมทาสงทาสีอะไรต่างๆกิจกรรมที่ควรจะทำก็เลยไม่ได้ทำกลับไปทำกิจกรรมที่ไม่ควรจะทำคือการก่อสร้างถาวรวัตถุและการบุรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นตัวของพระพุทธศาสนา ไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนดอกไม้ทูปเทียนที่เรานำมาสักการะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ใช่เป็นตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวที่เป็นตัวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือ การบำเพ็ญจิตตะภาวนานี้เองสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะจะทำให้ผู้บำเพ็ญได้เข้าถึงตัวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การก่อสร้างทาวรลวัตถุต่างๆจะไม่นำพาไปสู่ตัวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่นำไปสู่เนื้อหนังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือประเด็นสำคัญที่ชาวพุทธเราควรที่จะตระหนักให้มากๆถ้าเราอยากจะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานเราต้องสืบทอดด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาเพราะ เป็นการเข้าสู่ตัวเนื้อตัวหนังของพระพุทธศาสนานั่นเองแต่ถาบลละพระโตนี้เป็นเหมือนกับของที่เรานำมาสักการะบูชามีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดมีก็ไม่ได้ทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองไม่มีก็ไม่ได้ทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงไปแต่อย่างใด ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงประกาศพระธรรมคำสอนนั้นมีแต่การบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นภารกิจหลักส่วนการสร้างฐานวัละวัตุต่างๆนี้เป็นเรื่องของภารกิจเสริมที่ให้ผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ ให้เขาทำไปเขามีศรัทธาอยากจะพัฒนาชีวิตจิตใจของเขาให้เข้าสู่แดนของพระอริยบุคคลแต่เขายังไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าพอที่จะออกมาบำเพ็ญเขาก็เลยขอทำงานส่วนสนับสนุนผู้บำเพ็ญด้วยการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ ให้แก่ผู้ที่ต้องการจะบำเพ็ญเช่นมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ก็สร้างสถานที่ปฏิบัติทรรมถวายให้กับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้มีที่อยู่ที่บำเพ็ญกันได้มีที่ไว้สำหรับอบรมสั่งสอนผู้ที่มีความสนใจ ต่อการบำเพ็ญปฏิบัติจิตตภาวนานี่คือเรื่องของพุทธศาสนิกชนที่แบ่งไว้เป็นสองส่วนด้วยกันฝ่ายนักบุญกับฝ่ายนักบวชฝ่ายนักบุญก็คือผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ ยังไม่สามารถถือศีลแปดได้ทําได้ก็ยังทำทานน่ารักษาศีลห้านี่เรียกว่าฝ่ายสนับสนุนสนับสนุนใครก็สนับสนุนนักบวชนักบวชก็คือผู้ที่สามารถที่จะบําเพ็ญจิตตภาวนาได้สามารถที่จะรักษาศีลแปดรักษาศีลสิบ นักษาศีลสองรอยีิบเจ็ดนักษาศีลสามร้อยกว่าได้ตามสถานภาพถ้าศีลแปก็ของอุบาสกอุบาสิกาหรือแม่ชีศีลสิบก็สามนเณรศีลสองอยิบเจ็ดก็พาพิษุศีลสามร้อยกว่าก็ผาพิษุณี ตรงนี้เรียกว่าเป็นพวกนักบวชพวกนักบวชนี้เขาจะไม่มายุ่งกับเรื่องภารกิจของพวกนักบุญเขาจะไม่มาสร้างถาวรวัตถุมาทําบุญทําทานนะกิจกรรมเหล่านี้เขาจะล ง, งับไปเพราะเป็นกิจกรรมที่หยาบกว่ากิจกรรมของการบำเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองเป็นงานหยาบ ถ้าเราอยู่ในงานที่ละเอียดแล้วไปทำงานหยาบงานหยาบมันก็จะมาทำลายงานละเอียดเช่นช่างไม้เวลาเขาจะทำโต๊ะทำเก้าอี้ในเบื้องต้นเขาต้องใช้เครื่องมือหยาบ ก, ก่อนเช่นขวานมีดเลื่อยมาตัดไม้ให้ได้เป็น ชิ้นเป็นอันที่เขาต้องการพอเขาเสร็จแล้วเขาก็ใช้กบใสให้มันผิวมันเรียบพอใช้กบเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาใช้กระดาษทรายขัดให้มันเรียบแล้วก็ลงสีนี่เป็นงานละเอียดขั้นกระดาษทรายขั้นลงสีนี่เป็นขั้นงานละเอียดแล้ว ถ้าตอนนั้นยังเอามีดเอาขวานมาใช้อยู่มันก็จะมาทำลายงานละเอียดนั้นไปให้กลับเป็นงานหยาบไปฉันใดผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วจงไม่ควรที่จะไปทำงานหยาบคือการไปทำทานโดยเฉพาะต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆต้องออกจาก สถานที่เปริกวิเวกเพื่อที่จะได้ไปทอดผ้าป่าบ้างทอดกระถินบ้างไปงานบุญงานฉลองเจดีงานฉลองโบสถ์อะไรต่างๆเหล่านี้งานเหล่านี้เป็นงานของนักบุญไม่ใช่เป็นงานของนักบวชเป็นนักบวชนี้ต้องไปเปริกวิเวก ก็อยู่ตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะที่คอยมารบกวนจิตใจต่อต้านการทําใจให้สงบถ้าออกไปตามสถานที่มีงานบุญต่างๆก็จะต้องออกไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะต่างๆแล้วก็จะมา ทำให้ใจกระเพื่มทำให้ใจส่นสะเทือนอยู่เรื่อยๆการจะทำใจให้สงบก็จะทำไม่ได้และเวลากลับมาที่บาเพ็ญกว่าจะให้มันสงบได้ก็เสียเวลาไปเป็นวันก็มีออกไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอกลับมาอยู่ที่สงบสงัดวิเวกใจมันไม่ยอมสงบ สงัดด้วยมันยังติดอารมณ์เก่าๆติดรูปเสียงกลิ่นลดโพธพภะที่ไปได้ไปอัดมาเหมือนกล้องวิดีโอไปถ่ายเหตุการณ์ต่างๆพอกลับมาถึงบ้านก็ยังมาเปิดใช้ดูต่อใจก็จะไม่สงบนี่เป็นการเดินถอยหลัง เช่นอยู่สถานที่บาเพ็ญใจสงบดีพอดีถึงเวลามีคนมาชวนให้ไปทำบุญทำทานไปทอดทอบปลาไปทอดกรถินด้วยความเก่งใจก็ดีด้วยความอยากจะได้บุญจากการทำทานก็ดีก็เลยยอมออกจากที่สงบสงัดวิเวกหรือเพราะกิเลสตัณหามันอยากจะออกด้วยก็ดี บางทีมันก็กำลังหาเหตุหาช่องพอมีช่องที่จะได้ออกจากที่บำเพ็ญก็เหมือนกับาการอกเหมือนกับชี้โพรงให้กะรอกพอการอกมันเห็นโพรงนี่มันก็พุ่งไปเลยกิเลนนี่พอมีช่องให้มันออกมันก็จะออกไปเลย อ, ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสปุพะ ทั้งๆ ท, ที่ผู้บําเพ็ญก็พยายามที่จะดึงมันออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะแต่พอเวลาใดที่ผู้บําเพ็ญเผลอขาดสติพอมีช่องเท่านั้นแหละกิเลสมั น, ม, นมันพุ่งไปเลยออกไปเลยออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะ ท, ทันทีไปสู่งานบุญต่างๆทันที เป็นเหมือนกับปลาได้น้ำกับปีก้กระเป๋าขึ้นมาเวลาอยู่บำเพ็ญคนเดียวนี่สุดจะแสนเศร้าเศร้าซ้อยหงอยเหงาเบื่อหนายแต่ไม่เห็นโทษของการที่ออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสปธพะไ่ได้บุญที่เป็นบุญส่วนหยาบ แล้วก็ต้องเสียบุญที่เป็นส่วนละเอียดไปบุญที่เกิดจากการทำทานนี้อาจจะได้หนึ่งเท่าแต่บุญที่ได้จากการภาวนานี้ร้อยเท่าพันเท่าก็ต้องเสียไปอยอมเสียพันเพื่อได้ได้หนึ่งอันนี้ฉลาดไมโง่อยอมเสียหนึ่งพันบาทเพื่อจะได้หนึ่งบาทถ้าอยู่บำเพ็ญ น, นี้จะได้ทีละพัน แต่พอไปทำบุญให้ทานไปงานกับถิญงานผ้าป่าก็ได้หนึ่งบาทแต่ก็ไปกันเพราะสู้อำนาจของกิเลสตันหาไม่ได้เพราะขณะอยู่ที่บาเพ็ญบาเพ็ญไม่ก้าวหน้าขาดความเพียรไม่เจริญสติอย่างต่อเนื่องทำให้กิเลสตันหาออกมาเพ่นพ่าน ออกมาหลอกมาลอให้คิดให้ปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆพอไปคิดถึงเรื่องการไปทอดผ้าป่าทอดกระถินก็เลยไปเลยนี่คือเรื่องของนักบุญและนักบวชผู้ที่บำเพ็ญ น, นี้ผู้ที่เป็นชาวพุทธนี้ ต้องรู้ว่าตนเองอยู่ในสถานภาพใดเป็นนักบุญหรือนักบวชซึ่งบางเวลาเราก็เลือกได้เช่นเวลาทำงานทำการเราก็เป็นนักบุญไปรักษาศีลห้าไปทำทานไปทุกเช้ามีโอกาสถ้าใส่บาตรได้ก็ใส่บาตรไปก่อนไปทำงานเวลาทำงานก็รักษาศีลห้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่า ทำหน้าที่ของนักบุญไปอย่างนี้ก็ไม่ขาดทุนอย่างน้อยได้วันละบาทสองบาทก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยพอมาวันหยุดนะที่เราไม่ต้องไปทำงานวันนั้นเราก็มาเปลี่ยนเป็นนักบวชกันมารักษาศีลแปดกันแทนที่จะรักษาศี 5, ลห้าเรรักษาศีลแปดแทนที่จะไปทำงานทำการ เราก็มาบำเพ็ญจิตตภาวนากันมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันสถานที่ก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้ามันสงบสงัดวิเวกที่บ้านเราก็ได้ถ้าเราสามารถที่จะจัดที่ให้เราอยู่ตามลาพังโดยที่ไม่มีใครมารบกวน เราก็อยู่ในที่นั้นสมมุติว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมไปของเราเขียนคำว่าวัดก็ได้ตรงนี้เป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมห้ามนำกิจกรรมอย่างอื่นเข้า ม, ามาสู่ในบ ร, บริเวณนี้โดยเด็ดขาดะจะมีแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปเพียงอย่างเดียว นี่ก็เป็นวันที่เราแปลงจากการเป็นนักบวชนักบุญมาเป็นนักบวชอันนั้นเราก็จะงดเรื่องการไปออกไปข้างนอกไปหารูปเสียงกลิ่นรสพลพระอาหารเราก็จะรับประทานพอประมาณไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วรูปเสียงกิ่นลดพลพะก็จะไม่บริโภค จะไม่ดูจะไม่ฟังด้วยความอยากจะไม่จะทำอะไรตามความอยากจะมาเจริญสติเพียงอย่างเดียวจะิันสติพุโทโธพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาทำกิจกรรมที่ต้องทำเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้เจริญสติควบคู่ไป กับการบำเพ็ญ ก, กับการทำภารกิจที่จำเป็นนั้นๆพอเสร็จจากภารกิจเหล่านั้นแล้วก็มาเดินจงกรมจเจริญสติต่อหรือมานั่งสมาธิถ้าออกทางปัญญาได้เวลาออกจากสมาธิมาก็พิจารณาตายรักกันพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตากันพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า เช่นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เป็นของเราจะไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลในที่สุดจะต้องมีการพัดพากจากกันไปนี่คือความจริงที่ใจมักจะมองข้ามมักจะไม่คิดถึง มักจะหลงจะลืมพอลืมแล้วก็จะหลงพอลืมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราพอลืมความจริงอันนี้ก็จะเกิดความหลงที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราไปตลอดพอไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เช่นเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปพอเขาจากไปก็ร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่ยังไม่จากก็กังวลวิตกไปต่างๆ น, นานาว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องจากกันเมื่อไหร่ชีวิตเราเป็นเหมือนเดินไปอยู่บนเส้นได้เส้ น, นเล็ก จะตกลงมาจากเส้นได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันง่ายเหลือเกินชีวิตของพวกเราสิ่งต่างๆที่เรามาอยู่นี้เป็นเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้มันจะตกลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อ่ที่แน่ๆก็คือมันต้องตกมาแน่ๆของทุกอย่างในที่สุดก็ต้องมีวันจบ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือจะเป็นบุคคลการจบของวัตถุก็คือมันพังไปทีวีพังโทรศัพท์พังรถยนต์พังพังก็ต้องทิ้งไปถ้าบุคคลพังก็คือบุคคลตายไปไม่ว่าใครทั้งนั้นเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่ตายแต่เรามักจะลืมความจริงเหล่านี้ไป เราจรึงหลงไปคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเขาจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเคยดีอย่างไรก็จะดีอย่างนั้นไปพอไปเจอความจริงเข้าก็ถึงกับกระอากเลือดพอไปผิดหวังไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้ เขาไม่ได้ดีกับเราไปตลอดเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดเขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็กระอักเลือดบางทีก็ถึงกับต้องกระโดดตึกตายไปเพราะทนอยู่กับสภาพการสูญเสียไปไม่ได้พอไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนไม่คอยเตือนจิตเตือนใจไว้ก่อน ว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการพัดพากจากกันไปอย่างแน่นอนถ้ามีการสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆนี่เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์รับกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นรับกับการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นพอรู้แล้วเวลาเกิดการสูญเสียก็จะไม่ทุกข์ เพราะจะไม่มีความอยากให้ไม่สูญเสียนั่นเองพร้อมที่จะสูญเสียเมื่อพร้อมแล้วก็จะเย็นจะสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนี่คือการปฏิบัติขั้นปัญญาในวันที่เราทำตัวเป็นนักบวชถ้าเราพิจารณาทางปัญญาได้ก็พิจารณาไป ถ้าพิจารณาไม่ได้ก็จเจริญสติไปพุทโธไปทาใจให้ว่างมาให้ปราศจากความคิดปรุงแต่งแล้วเวลาเดินแล้วเมื่อยก็กลับมานั่งหลับตาจเจริญสติไปจนกว่าใจจะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะเย็นจะสบายมีความสุขมีความอิ่มมีความพอ มีความสุขยิ่งกว่าออกไปสู่ความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเป็นความสุขคนละระดับกันความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือความสุขทั้งปวงจะได้ความสุขระดับความสงบนี้แล้วจะสามารถทิ้งทุกอย่างได้ทิ้งความสุขทุกรูปแบบได้ ความสุขที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญนี่สามารถทิ้นได้อย่างไม่มีความรู้สึกอะไรอววรเสียดายเลยเพราะได้ความสุขที่ดีกว่านั่นเองเหมือนกับได้เพชรแท้ก็สามารถทิ้งเพชรปลอมได้หมดมีเพชรปลอมกี่เม็ดเน่โยนทิ้งได้หมดเลยพอได้เพชรแท้เพียงเม็ดเดียว ถ้ายังไม่ได้เพชรแท้นี้อย่างน้อยอาศัยเพชปรปลอมหลอกคนอื่นไปก่อนก็ยังดีอยู่ไปไหนมาไหนขอให้ได้ใส่เพชปรปลอมก็ยังดีเพราะคนเขาก็ไม่รู้ว่าเพชรที่เราใส่นะั้นมันปลอมหรือมันแท่อย่างรักษาหน้าตาได้อยู่ว่าโอ้อเป็นคนมีฐานะมีมีความร่ำรวยเป็นคนมีเกียรติมีเพชรใส่อย่างนี้ นี่คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเรียกว่าความสุขปลอมไม่ใช่เป็นความสุขจริงเพราะมันสุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วก็หายไปไปเที่ยวกันสนุกสนานกันเมื่อวานนี้วันนี้หายไปไหนหมดแนละ้ววันนี้พอมาอยู่วัดก็เศร้าซ้อยงอยเหงาเหมือนกับไม่เคยมีความสุขมาเลยเราเรียกว่าความสุขปลอม หามาได้เท่าไหร่พอได้มาแล้วมันก็ผ่านไปหมดไปเหลืออยู่เพียงแต่ความทรงจำว่าเมื่อวานนี้ได้ไปกินไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่ความสุขที่ได้จากนั้นมันไม่ได้อยู่ในความทรงจำเลยต้องออกไปใหม่ถึงจะได้ความสุขแบบนั้นใหม่ก็ต้องออกไปเรื่อยๆแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันอยู่ติดกับใจไปนานกว่า มันจะหายไปก็เฉพาะเวลาเกิดความอยากเท่านั้นเองถึงต้องใช้ปัญญามาสกัดความอยากหลังจากที่ได้ความสุขจากความสงบนี้มาเป็นสมบัติแล้วถ้าอยากจะรักษาให้มันคงอยู่ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาคอยทําลายความอยากเพราะความอยากจะทำมาจะเป็นตัวที่จะมาทําลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้เวลาอยากจะ ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายก็ต้องตัดมันทันทีหยุดมันทันทีอย่าปล่อยให้มันพาไปพาไปแล้วความสุขที่ได้จากความสงบจะหายไปจะไดความสุขปลอมมาเหมือนกับพอเกิดความอยากจะสวมเพชรปลอมก็ต้องโยนทิ้งไปเลยอย่าไปเอามาเพชรปลอมเก็บเพชรจริงไว้ดีกว่ารักษาเพชรจริงไว้ ถ้ามีเพชจริงแล้วไม่ต้องมีใครมาบอกจะรู้ว่าต้องรักษาเพชจริงเพราะเกิดความอยากแล้วนี่มันจะต่อสู้ทันทีมันจะไม่ยอมถูกหลอกให้ไปหาเพชปลอมอีกถ้าได้ความสุขจากความสงบแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้มันจะไม่ทําตามมันจะเฝืน่นมันจะสู้มันต้องสู้กันมันถึงจะยอมกันความอยากนี้ถ้าไม่สู้มันนี้ ปล่อยให้มันลากไปมันก็จะลากไปถึงแม้ว่าจะมีของจริงอยู่มีความสงบมีความสุขจริงอยู่แต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้มันก็มาสร้างความเสียวให้กับหัวใจยัง ก, ก, ก, กล้ากลัวอยู่ยังอยากจะกลับไปสัมผัสกับมันอยู่เพราะมันง่ายกว่าง่ายกว่าการกลับไปสู่ความสงบมันง่ายกว่าการฝืนความอยาก การทำตามความอยากนี้มันง่ายกว่าการฝืนความอยากดังนั้นเวลาเกิดความอยากนี้มันจึงยากที่จะฝืนมันแต่ถ้ามีความเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นโทษถ้าไปทำตามความอยากแล้วมันจะได้ของปลอมแล้วมันก็จะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้ามันเห็นด้วยปัญญามันก็จะต่อสู้จะไม่ไปทําตามความอยากดึงใจกลับเข้ามาให้เข้าไปสู่ความสงบพอดึงเข้ามาสู่ความสงบได้ความอยากหายไปใจก็สบายแล้วต่อไปความอยากก็จะค่อยๆหมดไปพอ การไม่ทำตามความอยากนั้นนั่นเองถ้ามีการทำตามความอยากอยู่ความอยากก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีวันหมดแล้วการมาบํมมาเพ็ญสมถะภาวนาเพื่อทำใจให้สงบนี้ก็จะไม่มีความหมายอะไรทาไปแล้วก็ได้เดี๋ยวๆแล้วก็หายไปถูกความอยากมาทำลายไปหมด เพราผู้ที่ได้ความสงบแล้วมักจะต้องฝืนจะต้องสู้กับความอยากถ้าอยากจะรักษาความสงบให้อยู่อย่างถาวรต่อไปถ้าไม่สู้ไม่ฝืนจะก็ทํามารับเดี๋ยวมันก็หายไปออกจากสมาธิมาแป๊บเดียวพอไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานความสุขที่ได้จากความสงบมันก็จะหายไปแล้วก็ต้องมาสร้างใหม่ต้องมานั่งพุโทโธพุโทโธใหม่ มันก็ไปไม่ถึงไหนไปแค่สงบเดี๋ยวเดียวพอออกจากความสงบมาก็ไปทําตามความอยากอยากดูก็ดูอยากฟังก็ฟังอยากดื่มก็ดื่มอยากกินก็กินอย่างนี้นั่งสมาธิไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆนั่งมาเหมือนกขาทามีคําพูดว่าเขียนด้วยเท้าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า เขียนด้วยมือก็เจริญสติแ้าเป็นแทบตายพอได้ความสงบแล้วก็เอาความอยากนี้มาลบมันไปหมดก็เรียกว่าลบด้วยเท้าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าปฏิบัติไปกี่บสิบปีก็ไม่ก้าวหนะ้าไม่ไปไหนก็อยู่ติดอยู่แคขั้นเนี้ยขั้นความสงบนี้แล้วก็สงบเดี๋ยวบบเดียวสงบแป๊บเดี๋ยวเดียวออกมาก็หายไปหมดแล้ว พอไปทําตามความอยากอยากจะดูอะไรก็ดูอยากจะฟังอะไรก็ฟังอยากจะเดิมอะไรก็เดิมอยากจะรับประทานอะไรก็รับประทานต้องใช้ปัญญามาหยุดมันต้องเห็นโทษของความอยากว่าจะมาทําลายความสงบความสุขที่ได้จากความสงบจะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจแทนที่จะมาสร้างความ การที่จะมารักษาความสุขให้คงอยู่ต่อไปมีคือหน้าที่ของปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วการที่จะละความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนั่นเองได้เดี๋ยวเดียวได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดไปหมดไปก็เกิดความอยากใหม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ไปทําตามมันก็ดับไปความทุกข์ก็ดับไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความ เดี๋ยวพอความอยากเกิดขึ้นมาใหม่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากเราไปความอยากมันจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะหมดแรงไปเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราไม่รดน้ําพ่นดินให้มันทิ้งมันไว้เฉยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ตายต้นไม้ในกระถางต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกใหม่ๆถ้าเรา ไม่ไปดูแลมันเดี๋ยวมันก็ตายความอยากนี้ก็เป็นเหมือนต้นไม้ในกระถางถ้าปลูกแล้วไม่ลดน้ำให้ปุ๋ยเดี๋ยวมันก็ตายนี่คือเรื่องของนักบวชนะวันธรรมดาก็เป็นนักบุญไปก่อนวันที่ต้องไปทำงานทำการธรมากินก็รักษาศีลห้าไปทาทานไปพอวันหยุด จากการทำงานก็มาเป็นนักบวชไม่ต้องทำทานไม่ต้องรักษาศีลห้ามารักษาศีลแปแล้วก็มาบําเพ็ญจิตตภาวนาไปสมถภาวนาวิปั ส, สนาภาวนาหาสถานที่สงบสงัดวิเวกเพราะมันจะเอื้อต่อการบําเพ็ญนั่นเองถ้าปฏิบัติอยู่ในสถานที่อื่น ก, ก็ทึกคึกโคม มีรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะมาคอยยั่วย้าวลบอกวนจิตใจการจะภาวนาให้ใจสงบ ก, ก็เป็นไปได้ยากเช่นอยู่ในบ้านที่มีคนกินอาหารเย็นมีคนเปิดทีวีดูมีคนร้องลำมทำเพลงเวลาเขาทำกิจกรรมเหล่านี้ใจของเราก็ควบสุดลงไปเพราะความอยากที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเขา อยากการอยากจะภาวนาก็หายไปหมดภาวนาไม่ออกแต่ถ้าไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดที่ไม่มีสิ่งรบกวนต่างๆการเจริญพุทโธก็จะเป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายดายการนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบก็จะสงบได้อย่างง่ายดายออกจากสมาธิมาก็สามารถจเจริญปัญญาได้ต่อสู้กับความอยากได้ ถ้าลองทำได้อย่างนี้สักวันหนึ่งแล้วก็อยากก็จะเกิดมีฉันทาวิริยะที่อยากจะทำมากขึ้นก็เพิ่มเป็นสองวันเพราะอาทิตย์หนึ่งเรามีวันหยุดสองวันทำงานห้าวันก็ทามันสองวันภาวนาสองวันเป็นนักบวชสองวันเป็นนักบุญห้าวันแล้วต่อไปก็อาจจะลางานแทนที่จะทำห้าวันก็ลามไปทำแค่สี่วัน มาเป็นนักบวชตั้งสามวันลดจำนวนนักบุญลงไปเรื่อยๆต่อไปก็ลาออกจากงานไปเลยเมื่อไม่ต้องใช้เงินแล้วไปทำงานทาไมเป็นนักบวชนี่ไม่ต้องใช้เงินนอกจากค่าใช้จ่ายสำหรับดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นซึ่งถ้ารู้จักประหยัดรู้จักเก็บก็มีเหลือเฟือไม่ต้องไปทำงานตลอดชีวิตก็สามารถอยู่บ้านปฏิบัติทำได้ เงินหมดก็ค่อยไปหาใหม่ก็ได้ถ้ามันจะหมดจริงๆถ้ามันหมดก็เลือกได้นี่ถ้าขี้เกียจไปหาก็ไปบวชชีไปอาศัยวัดอยู่ก็ได้ไปเป็นแวรับใช้พระก็ได้เดี๋ยวพระก็ให้ข้าวกินถ้านักปฏิบัติแล้วจะไม่ถือตัวไม่ถือว่าการไปรับใช้พระไปอาศัยวัดอยู่นี่เป็นการไปเอ่อไปเกาะกินวัดแต่อย่างใดเพราะไปอยู่แบบทําไม่ได้ไปอยู่แบบกิเลส ไปอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติไม่ได้ไปอยู่เฉยๆไปเกาะกินวัดอย่างนั้นอย่างนั้นเขาเรียกไปเกาะกินโมแต่จ้องรอรับอาหารรับขนมนมเนยจากพระเพียงอย่างเดียวแต่ไปไปอยู่เพื่อปฏิบัติปฏิบัติเดินจงกลมนั่งสมาธิแล้วก็ช่วยกิจกรรมทางวัดช่วยกันปดกาด ลานวัดเ่ล้างถ้วยล้างชามทําอะไรก็ได้มันไม่ได้ทําทั้งวันทั้งคืนหรอกงานพวกนี้อย่างมากแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วขณะที่ทําก็สามารถปฏิบัติได้เจริญสติได้บําเพ็ญได้ถ้าเป็นผู้บําเพ็ญเป็นแล้วจะอยู่ในสถานภาพใดก็ไม่ไม่เดือดร้อนเป็นแม่ชีก็ได้เป็นอุบาสกอบาสกุกโอบาสิกาก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นภิกษุณีก็ได้ เป็นสัมมนเนยก็ได้สถานภาพเหล่านี้ไม่เป็นตัวประเด็นสําคัญถ้าผู้บําเพ็ญ น, นี่รู้จักวิธีการบําเพ็ญแล้วสามารถบําเพ็ญได้ในทุกสถานภาพยังมีการบรรลุธรรมในทุกสถานภาพสัมมนเนยก็บรรลุธรรมได้พระภิกษุพระภิกษุนีก็บรรลุธรรมได้อุบาสกอุบาสิกาก็บรรลุธรรมได้แม้แต่นักบุญก็บรรลุธรรมได้ มันไม่ได้อยู่ที่สถานภาพมันอยู่ที่การบำเพ็ญ น, นี่คือเรื่องของการที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาเราต้องศึกษาให้รู้จักสถานภาพของเราว่าเราอยู่ในสถานภาพใดในเบื้องต้นก็ต้องเป็นสถานภาพของนักบุญไปก่อนถ้ายังภาวนาไม่เป็น เป็นนักบุญก็ทาเป็นนักบุญซะห้าวันหกวันต่อทิ์วันวันที่เจ็ดก็มาหัดเป็นนักบวชกันมาหัดรักษาศีลแปดกันมาหัดภาวนากันเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติกันพอหัดไปแล้วต่อไปมันก็ได้เหมือนคนว่ายน้าไม่เป็นทํามาถึงว่ายน้าเป็นก็เพราะว่าไปหัดว่ายน้านั่นเองถ้าไม่หัดว่ายน้า อยู่ไปจนแก่ตายก็ไหว้ไม่เป็นแต่ถ้าหัดไหว้แล้วบางทีตั้งแต่อายุสองสามขวบก็ไหว้เป็นนะเอพ่อแม่บางคนนี่พาลูกไปหัดไหว้น้ำตั้งแต่อายุสองสามขวบเพอไหว้เป็นแล้วก็ทีนี้ก็ไหว้เป็นไปตลอดชีวิตนะพอมาหัดภาวนาได้แล้วภาวนาเป็นแล้วก็จะภาวนาไปได้ตลอดชีวิตถ้าไม่ ana, <Gentlemen. S 2> มาหัดภาวนาก็จะภาวนาไม่เป็นไปตลอดชีวิต ก็จะเป็นได้แค่เป็นนักบุญไปตลอดชีวิตทำได้มีแต่ทําทานรักษาศีลห้าไปเท่านั้นเองแต่จะไม่มีวันที่จะได้เข้าไปสู่การบําเพ็ญภาวนาจะไม่มีวันที่จะได้ไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยนั้นหน้าที่ของชาวพุทธเราก็คือต้องมีการพัฒนาการเหมือนกับเด็กที่เข้าโรงเรียนเริ่มต้นก็เข้าอยู่ชั้นอนุบาล แล้วก็ขยับเข้าสู่ชั้นปถมมัธยมไปตามลําดับชั้นใดชาวพุทธเราในเบื้องต้นก็เป็นนักบุญไปก่อนแล้วก็ขยับขึ้นไปสู่เป็นนักบวชตามลําดับต่อไปนักบวชก็มีหลายระดับระดับเข้มข้นระดับปานกลางระดับอ่อนๆเริ่มต้นก็ระดับอ่อนๆก่อนอาทิตย์ละวันสองวันต่อไปก็ปานกลางอาทิตย์ละสีห้าวัน เข้มข้นก็ต่อไปก็เป็นนักบวชทุกวันไปนี่คือลำดับขั้นตอนของการพัฒนาของชาวพุทธเราถ้าปรารถนาความก้าวหน้าในในธรรมของพระพุทธเจ้าต้องมีการพัฒนาการไป อ, อย่ายืนกับที่การยืนกับที่นี้ไม่เรียกว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาการก้าวขึ้นสู่ธรรมระดับต่างๆนี้ต่างหาก ที่เรียกว่าเป็นการก้าวหน้าเป็นการเจริญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองจะต้องผลักดันตัวเองไปถ้าไม่ผลักดันก็จะติดอยู่ที่เดิมนี่ก็คิดว่าองหมดเวลาเพราะได้ขอเวลาเขาไว้หนึ่งชั่วโมงให้เขาหยุดกระทางานตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงมาแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติ การแสดงทำไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตตสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิษะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวะทานติ อ, นนาาอมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะครับกับเรียนพระอาจารย์นะครับคือว่าที่พระอาจารย์เคยสอนว่าถ้านั่งสมาธิเนี่ยจะภาวนาพุทธโธก็พุทธโธจะดูลมก็ดูลมแต่ที่ผมเคยฝึกหัดเองนะครับก็คือหายใจเข้าพุท หายใจออกโทรทีนี้พอจะมาภาวนาพุทธโธอย่างเดียวหรือดูลมอย่างเดียวมันไม่ไปด้วยกันนะครับมันจะพยายามทำแบบเดิมไม่ทราบมีวิธีแก้ไขยังไงครับถ้าแบบเดิมทำแล้วมันสงบก็ใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมครับถ้ามันสงบ ด, ดูดูที่ผลไงครับอย่าไปดูที่เหตุอย่างเดียวครับเหตุมันเป็นตัวที่ทาให้เกิดผล ถ้าเหตุที่เราทำอยู่นี่มันเกิดผลมันก็ใช้ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ละคนนี่มีความถนัดไม่เหมือนกันคนเคยถนัดมือซ้ายจะมาให้ใช้มือขวามันก็ยากคนที่เขาภาวนาโดยใช้ลมอย่างเดียวจะมาให้เขาใช้พุธเข้าทัวเขาก็ยากดงนั้นแต่ละคนมันแล้วแต่เคยถูกสอนมาอย่างไร เคยทำมาอย่างไรมันก็จะติดมาแต่พูดตามหลักเนี่ยอนาปนานสติจริงๆนี่เขาไม่มีพุทธเข้าโทรออก mm hmm. อพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ว่าลมเข้าลมออกให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆอนนี้คนที่เขาปฏิบัติ บ, ตบางคนเขาดูลมเข้าลมออกเฉยๆไม่ได้เขาเลยเอาพุโทโธมาช่วยดึงไว้อีกตัวหนึ่ง ลมเข้าก็ว่าพุทลมออกก็ว่าโทรครับแล้วก็เลยได้ผลอย่างนั้นเขาก็มาสอนต่ออย่างนั้นครับแต่คนที่ไปเรียนอีกที่หนึ่งก็บอกให้ดูลมอย่างเดียวมันก็ถูกทั้งนั้นแหละไม่ไม่มีผิดหรอกจะพุทโทอย่างเดียวก็ไม่ผิดจะดูลมอย่างเดียวก็ไม่ผิดจะพุทเข้าโทออกก็ไม่ผิดครับอหมมอนกินข้าวจะตักข้าวด้วยมือซ้ายหรือตักข้าวด้วยมือขวา เข้าไปในปากมันก็อิ่มเหมือนกันอยู่ที่วิธีตักมันจะตักมันแบบไหนอะตักทั้งซ้ายทั้งขวาได้ก็ดีครับเออแล้วก็ขอกรับเรียนข้อต่อไปนะครับก็คือเวลาตอนที่ผมเคยฝึกนั่งสมาธิเองนะครับพอเราเริ่มนั่งก็มันมีความรู้สึกว่าเราอยากจะได้มันก็เลยจะกลายเป็นอาการเพ่งไปนะครับตรงนี้จะแก้ยังไงครับก็อย่าไปอยาก เดวนั่งไปเหมือนกับไปตกปลาอย่างนี้จะไปอยากวันนี้ได้สิบตัวมันจะรู้ได้ไงมันจะได้หรือเปล่าก็าต้องทำใจเป็นกลางว่าได้เท่าไหร่ เ, เท่านั้นสงบก็ดีไม่สงบก็ดีไม่ต้องไปสนใจสนใจที่เหตุคือการการภาวนาของเรากราบขอบคุณพระอาจารย์ครับหมดคำถามครับครับกราบพระอาจารย์นะครับ ครับอาจารย์ครับที่ผมเคยถามพอาจารย์นะครับวา่าที่ว่าทำใจให้ทำจิตให้ว่างอะครับอยู่ตลอดเวลานะครับที่ว่าบางครั้งมันก็คิดพอคิดปุ๊บคราวนี้เราก็หยุดคิดพยายามที่จะหยุดคิดที่อาจารย์เคยบอกว่ามันเหมือนการชักกรยอนนะครับแล้วแล้วผมก็พยายามทําอย่างนี้ตลอดนะฮะวันนึงจิตมันก็ปดครับอาจารย์มันหยุดคิดขึ้นมาแล้วเกิดความสุข คล้ายๆว่าหยุดคิดได้ทั้งวันเลยครับอาจารย์คราวนี้พอมันเริ่มจะคิดอีกกลายเป็นว่าไม่อยากจะคิดละอยู่แบบนี้มีความสุขกว่าครับอาจารย์ mm hmm. ครับจากนั้นเมื่อเมื่อมันหยุดคิดปุ๊บคราวนี้มันพอมันเกิดการมาราคะมันเห็นชัดครับอาจารย์เออว่ามันจะคิดตัวนี้อีกละใจมันมันมันจะลงมาทางนี้คราวนี้ผมก็พยายามที่จะหยุคดคิดก็เอาอสุภะเข้ามานะครับก็เป็นเวลา น, นานเหมือนกันจากนั้น ความคิดตรงนี้มันดังพึชขึ้นมาพระอาจารย์ฮะพอมันดังพืชปุ๊บคราวนี้มันเหมือนจิตมันตั้งฮะมันมันมันตั้งตั้งมั่นขึ้นมันเหมือนมันสบายขึ้นนะครอาจารย์ฮะแล้วก็เกิดปิติอีกครับผมต้องทำยังไงต่อดีครับก็ทําไปเรื่อยๆเวลาเกิดปัญหาเกิดความคิดที่คิดไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องหาวิธีหยุดมันครับ คิดไปทางการบาราคะก็ใช้อสุภายุดมันครับคิดไปในทางความโกรธก็ใช้ความเมตตาหยุดมันครับคิดไปในทางความโลภก็ใช้ตายรักหยุดมันโอ้คิดว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ก็ลภไปได้เลยครับแก้ยังนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีความคิดไม่ดีครับหรือไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากในกาลอีกต่อไปก็ก็หมดงานก็ไม่ต้องทําอะไรก็อยู่กับความว่างอยู่กับความสุขไปตลอด ครับอ๋อครับผมครจาขอบคพระอาจครับคำถามจากเฟ e บุ o กค่ะคำถามจากคุณจาจิจาจิหลายครั้งเวลานั่งภาวนาสักพักจะมีอาการตัวโยกไปมาเร็วและแรงขึ้นเรื่อยๆจึงกาหนดสติใหม่อาการก็หายไปนั่งภาวนาต่อได้ประมาณหนึ่งหรือสองเดือนมานี้นอกจากมีอาการตัวโยกแล้ว พอเร็วแรงขึ้นก็คล้ายหายใจไม่ออกอยากจะลืมตาขึ้นมาแต่ก็กำหนดสติและนึกถึงที่พระอาจารย์เทศว่าอย่าไปสนใจให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้สักพักอาการนั้นๆก็สงบลงนั่งภาวนาต่อได้ถ้าไม่อยากให้มีอาการแบบนี้ตั้งแต่แรกจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็ต้องมีสติที่ ต่อเนื่องถ้าถ้ามีสติอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับอารมณ์ใดที่เรากําหนดไว้อย่างต่อเนื่องอาการต่างๆมันก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ยันต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งเพราะถ้าจะมาเริ่มฝึกสติตอนที่นั่งนี้มันจะไม่ทันการมันจะไม่มีกําลังพอที่จะหยุดอาการต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ คำถามอีกคำถามจากคุณแบล็กเบอร์รเวลาอยากทำบุญหรืออยากภาวนาถือเป็นกิเลสไหมคะบางครั้งรู้สึกว่าถ้าอยากแล้วไม่ได้ทำก็ทำให้ทุกข์ใจเหมือนกันคะ่ะมันก็อยู่ที่สถานภาพของเราถ้าเราเป็นนักบุญแล้วอยากจะทําบุญนี่ก็ไม่ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำบุญ แต่ถ้าเราเป็นนักบวชเราไปภาวนาอยู่ในปา่าแล้วก็อยากจะออกมาทำบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสเพราะว่ามาทำลายบุญส่วนละเอียดการออกมาทำบุญส่วนหยาบนี่มันไปนทำบุญส่วนละเอียดเป็นการเดินถอยหลังเข้าครองไม่ใช่เดินหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานดังนั้นเราต้องดูสถานภาพของเราว่าเรากาลังเป็นอะไรอยู่เช่นถ้าเรามาอยู่ปา่ามาปกไม่เวก อยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็อะอยากจะไปทําบุญใชะละอยากจะไปถวายสังฆทานใช่แล้วอย่างนี้ก็เป็นกิเลสต้องหยุดไว้ก่อนไว้รอกลับไปบ้านก่อนภาวนาเสร็จแล้วกลับไปอยู่บ้านก่อนไปเป็นนักบุญก่อนแล้วค่อยไปถวายสังฆทานะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นกิเลสเข้าใจไหมมีแค่นี้เลย อ, อมีการอยากจะถามอะไรอีกไหม ไม่มีแสดงว่าบรรลุกันหมดแล้วดีคนสอนจะได้ไม่เหนื่อยอ่ก็มีทางเลือกอยู่สองทางตอนนี้เอะจะกลับบ้านหรือจะนั่งสมาธิต่อเพราะเราก็คงจะไม่พูดอะไรแล้วเพราะเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะติดเครื่องทางานต่ อ, อก็เลือกเอาถ้าอยากจะอยู่ต่อก็นั่งสมาธิ ถ้าไม่อยากนั่งก็ไปกลับบ้านไปอา่อาแค่นี้กันแล้วกันนะ อ, อย่างนั้นกลับไปบ้านไปนั่งสมาธิที่บ้านก็ได้คือก่อนหน้านี้ค่ะเคยเคยสวดมนต์เป็นประจำเสร็จแล้วก็ทิ้งไปค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน กลางถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ยินกล้องตลอดเวลาในหูค่ะมันอยู่ในใจเราไงเราเไปสวดมามันก็เลยฝังอยู่ในใจแล้วค่ะมันมา<อ>ชวนให้เรากลับไปสวดไงกลับมาสวดใหม่เสียงนั้นมันก็จางจางจา ง, จางไปแต่ว่าก็ยังได้ยินอยู่ค่ะก็ะไม่เป็นไรเสียงดีไม่ใช่เสียงร้ายเสียงสวดมนเสียงดีเสียงมาเตือนเราให้เรามาสวดมนกันดีกว่า ดีกว่ามาร้องรำทำเพลงเฮฮาปาร์ตีแ้แล้วกลับมาส่วนเหมือนเดิมหเปล่ากลับมาส่วนเหมือนเดิมค่ะส่วนทุกวันค่ะแล้วก็ปรเรียงก็นั่งสมาธิค่ะอะทุกวันแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะหรือเปล่าอ่านค่ะฟังธรรมะไปด้วยจะได้เพิ่มพูนปัญญ า, ค, าความรู้ที่เราจะต้องเอามาใช้ในการปฏิบัติยังมีอีกมาก ถ้าเราไม่ฟังเราจะไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อไปค่ะหรือถ้าเรามีปัญหาบางทีเราก็ไม่รู้วิธีแก้ถ้าเราฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะบางทีเราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีแก้ต่างๆเป็นพยายามฟังธรรมอยู่เรื่อยๆการฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งะะนะมีหนังสือธรรมะแจกนะ เสียซีดีต้องการก็มาหยิบเอาแล้วพอบอกให้เลือกนั่งสมาธิกับเขาป้านี้กลับบ้า น, นกับบนแล <c oughs> <c oughs> ถ, ถ้าถ้าบังคับให้นั่งคงจะต้องนั่งมะนี่ไม่บังคับบอให้เลือกก็กลับบ้านดีกว่าก็ <c oughs> ไปเป็นนักบุญดีกว่า <c oughs> นักบุญมันง่ายกว่าเรียนอนุบาลมันง่ายกว่าเรียนชั้นประถมะ ในการเราซื้อเราหยิบเราเนะีอยซื้อซีดีหยิบได้หมดมีข้อแม้อย่างเดียวออกไปแล้วต้องเอาไปอ่านเอาไปฟังแล้วก็ไม่ให้เอาไปแจกจ่ายเพราะยังไม่รู้เลยดีไม่ดีพ อ, เ, อเห็นก็อยากเอาไปแจกคนอื่นแล้วอย่างนี้เป็นความโลภแล้วไม่มีเหตุไม่ผลถ้าเราอ่านแล้วฟังแล้วดีเราของเราที่เราได้ไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยถึงราเรียกว่าเป็นการทาทาน แต่นี่บางทียังไม่ได้ทันอ่านไม่ได้ทันฟังเลยเพอ ร, รู้ว่าแจกฟรีก็ขอไปฝากคนนู้นฝากคนนี้แล้วอย่างนี้เป็นเรื่องของตีเล่นนะไม่อยากจะส่งเสริมถ้าหนังสือดีซี CD ดีดีใครอยากได้ก็ให้เขาไปเลยแล้วเรามีโอกาสกลับมาใหม่ค่อยมาเอาไปใหม่ก็ได้หรือถ้าเราอ่านแล้วมันก็อยู่ในใจเราแล้วไม่ต้องอ่านอีกก็ได้ทาทานต่อไป อยูนี้มันตรงกันที่แม่สื่อระดีมากกวอ่าก็ดีทําไปเถอิดบุญเป็นของเราทําไปเท่าไหร่ก็เป็นของเราหมดเงินไม่ใช่ของเรามีเท่าไหร่ตายไปก็เป็นของคนอื่นหมดเนี่นเอาเงินมาทําบุญดีกว่าจะได้เป็นของเร า, เาไปข้างหน้าจะได้สบายาไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีไม่ต้องมาลําบากหาทํามาหากินเนี่ยพระเวจะสันดร ตายไปกลับมาก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชโอรสนี่ฮะบรารมีทานบรารมีเงินต่างๆเงินทองต่างๆที่เราเบริจาคไปนี่มันจะกลับมาหาเราเวลาเรากลับมาเกิดใหม่งั้นไม่ต้องไปเสียดายอันไหนที่เราไม่ต้องเก็บไว้ใช้เอาไปทำบุญเพราะว่าบารมตายไปก็เอาไปไม่ได้ แต่บุญนี้ออกไปได้บุญก็เป็นทรัพย์ภายในเป็นเหมือนเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินดอลเงินไทยไปใช้ข้างต่างประเทศก็ใช้ใช้ลาบากถ้าไปใช้ตามร้านตามสถานที่เขาก็ไม่รับต้องไปแลกเปลี่ยนกันถ้าเราแลกเปลี่ยนไปแล้วก็สบายไปถึงก็ใช้ได้เลยบุญนี้เราต้องแลกตอนนี้ตอนก่อนก่อนจะไปตอนก่อนตาย ถ้าตายแล้วเอาไปแลกกลางทางไม่ได้นะเอาไปไม่ได้เขาไม่ให้เราออกไปด้วยเห็นไหมลูกหลานนี่แย่งเงินทองกันไม่ได้คิดว่าจะส่งเงินนี้ไปให้พ่อให้แม่เลยให้คนตายเเพราะคนตายก็เอาไปไม่ได้เอวไปต้องออกมาแลกเป็นบุญตั้งแต่ตอนนี้บุญทําให้ได้มันก็จะติดอยู่กับใจของเรา ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอใจไปใจก็เอาบุญไปพอไปเกิดใหม่ก็บุญนี้ไปขึ้นเงินไปเปิดไปเกิดในตระกูลที่มีฐานะมั่งคั่งร่ารวยเนี่ยบุญเป็นตัวเ ป, เปิดทางให้ไปเกิดในในสถานะภาพที่ดีถ้าไม่ได้ทําบุญก็ไปเกิดเป็นคนขอฐานไปเกิดตามสลัมนะงั้นทําไป ส่วนคนตายเราก็แบ่งอุทิตไปได้บุญที่เราทำวันนี้ถ้าเขารอส่วนบุญนี้อยู่เขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้ด้วยเขาก็จะได้ไปเกิดได้ไปเกิดดีต่อไปตอนนี้เขากำลังหาที่เกิดอยู่ไม่มีกำลังเดินไปพอได้บุญนี้เขาก็บุญนี้ก็จะพาให้เขาได้ไปเกิดใหม่ต่อไปไม่ต้องเป็นขอทานคอยรอรับส่วนบุญอยู่เรื่อยๆนะงั้นก็ําไป ก็เมื่อกี้ก็ให้พรไปแล้วก็ไม่ต้องให้อีกแล้วนะเพียงแต่กวดน้ำไปและอุทิศไปในใจนะว่ า, าวันนี้ได้ทำบุญแล้วขอแบ่งบุญส่วนนี้ให้กับให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วจะเป็นใครก็ตามหลวงตาธรรมดาก็จัดวันเดือนพฤษภานี้ไม่ใช่หรือสามสิบนะท่านทำให้ทำให้แม่ ความจริงก็ไม่ได้ทำํำหรอกพราะรู้ว่าแม่ไปก็ไปดีอยู่แล้วแต่ก็ใช้ใช้ใช้แม่เป็นเหตุชวนให้ญาติโยมที่ไม่ได้ทําบุญได้มาทําบุญกันเพื่อญาติพี่น้องของญาติโยมที่ตายไปจะได้มีโอกาสได้รับผลบุญด้วยถ้าหลวงตาไม่ชวนทําก็ไม่เชื่ออคิดว่าไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงทําไปแล้วกลัวจะไม่มีใครได้รับบุญเอ แต่ความจริงหลวงตาอยากให้เราพวกเราได้บุญมากกว่าคนตายเพราะบุญส่วนใหญ่ที่ทำนี้เราได้มากกว่าคนตายเงินบุญที่เราส่งไปให้คนตายนี้เหมือนกับส่งของไปทางไปรษณีย์ส่งไปได้ไม่มากเช่นเราสร้างบ้านนี้เราจะส่งบ้านทั้งหลังไปทางไปรษณีย์ก็ไม่ได้ส่งได้อย่างมากก็บ้านตัวอย่างบ้านกกงเต็กอย่างนี้ ดังโดยหลักเราก็คือเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่จะหลอกให้ญาติโยมมาทําบุญกันแทนที่จะวันนี้ไปเที่ยวกันเนี้ยก็ไปวัดไปทําบุญกันดีกว่าไปเที่ยวกันเดี๋ยวเงินก็หมดความสุขที่ได้นั้นก็หมดไปแล้วก็มีแต่ความอยากจะเที่ยวใหม่แทนที่จะอิ่มใจกับหิวใจถ้าอิ่มใจตายไปก็เป็นเทศถ้าหิวใจตายไปก็เป็นเปรต ท่านถึงกลัวพวกเราจะไปเป็นเปรต เ, เลยหลอกให้พวกเรามาทําบุญทําบุญให้แม่ให้พ่อให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแต่ความจริงทําให้พวกเรามากกว่าพวกเราเนี่ยคนที่เราทําเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นคนทํานี้จะได้มากกว่าบุญที่เราแบ่งให้กับคนที่ตายไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่า บานทีเขาก็มีบุญเหลือหลายอยู่อยู่แล้วเขาทำมาก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้มารอรับส่วนบุญนั้นเขาไปเป็นเทวดาไปเป็นเศรษฐีบุญแล้วเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญแทนพวกเราพยายามสร้างตัวเองให้เป็นเศรษฐีบุญให้ได้แล้วอนาคตจะดีปัจจุบันนี้พออยู่ได้ทูถ่กถยก็พอแล้วไม่เดือดร้อนอย่าไปหวังความร่ำรวยเลยร่รวยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ตายไปละ ช่ ว, วยรวยบุญดีกว่าเป็นเศรษฐีบุญดีกว่าชาติหน้าพอตายไปก็ไปเป็นเทวดานะพอกรับมาเกิดใหม่ก็ได้เป็นลูกเศรษฐีลูกพระเจ้าแผ่นดินฉันขอให้พยายามทำไปเรื่อยๆเอาละนะ